ตอนที่ยี่สปดคนตระกูลโจแทบคลั่งจัดงานมงคลอะไรกันหนิวซูเฟินเพ่งมองเข้าไปในรถพัพาสิไม่เห็นกับตาคงไม่เชื่อสายตาของนางปะทะเข้ากับร่างของหลีชิงผิงที่นั่งอยู่ในรถอย่างจังนางตัวดีนี่แต่งตัวเสียจนานางเกือบจะไม่ได้ในแวบแรกนั่นช่วยอธิบายได้ว่าทำไมหลีหวานถึงมาอยู่ที่นี่หลีชิงผิงนี่แกจะแต่งงานใหม่เหรอ น้ำเสียงของหนิวซูเฟิร์นแหลมสูงขึ้นมาทันทีหลีชิงถิงขมวดคิ้วพลางเอ่ยทำไมละ่ะในเมื่อวันนี้เป็นวันมงคลของลูกชายคุณได้ก็ต้องอนุญาตให้ฉันแต่งงานได้เหมือนกันสิคนอย่างหลีชิงผิงเนี่ยนะยังจะมีคนเอาอีนี่คือสิ่งที่ทำให้หนิวซูเฟิรนรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจที่สุดประเด็นสำคัญคือผู้ชายที่หลีชิงถิงแต่งงานด้วยครั้งที่สองนี้หน้าตามไม่เลวเลยแถมยังสวมชุดเครื่องแบบทหารดูถ้าจะเป็นคนในเขตทหารเหมือนกัน การที่ลูกสะใภ้ที่ตัวเองเขียนทิ้งได้แต่งงานใหม่กับคนที่มีฐานะดีกว่าเดิมทําให้หนิวซูเฟิน ร, รู้สึกผืออึดพืออมเหมือนกินที่เข้าไปก็ไม่ปานอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเดียวจะเสียเลือมงคลของพวกเราวันนี้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวตะโกนบอกเจิ้งอวินฉงจึงบอกให้เสี่ยหวันขึ้นรถก่อนที่เขาจะตามเข้าไปนั่งเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปตรอกที่เคยคึกคักก็เงียบสงบลงไม่น้อยหนิวซูเฟินไม่มีโอกาสได้พูดอะไรต่อท่ามกลางเสียงอึดทึกคละโครมไม่มีใครสนใจฟังนางเลย นางรอจนคนไปกันหมดแล้วจึงหันไปซักไซเจียนเยี่ยลีชิงพิงแต่งออกไปจากบ้านข้างๆได้ยังไงบ้านหลังนั้นนางเช่าไว้เหรอคุณแม่ครับเขามีเงินซื้อหน่ะสิลิวเคอร์เคอร์เอ่ยขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงประชดประชันเงินที่นางเอาไปซื้อบ้านก็คือเงินที่เอาไปจากบ้านเราไม่ใช่เหรอคะใช่นิวซูเฟินตกหน้าขาตัวเองฉาดใหญ่ด้วยความโมโหเกือบลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทถ้าไม่ใช่นางแพทย์ยานั่นหอบเงินในบ้านไปจนหมดนางคงไม่ต้องลำบากหาเงินมาแต่งเมียให้ลูกชายขนาดนี้ เมื่อคิดได้ดังนั้นนิวซูเฟินก็มองเคอเคอด้วยความรู้สึกผิดแต่งงานทั้งทีกลับต้องให้ลูกมาลำบากแบบนี้ลำบากเจ้าแล้วนะลูกเอ๋ยลิวเคอเคอร์รู้สึกน้อยใจอยู่ครามครันแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้านางแส้งทําเป็นรู้ความพรางยื่นมือไปคล้องแขนนิวซูเฟินคุณแม่ข้าชั้นกับเจียนเยี่ยต่างก็มีเงินเดือนฉันเชื่อว่าวันคืนดีๆเราสร้างมันขึ้นมาได้ชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนคําโบราณที่ว่า30ปีฝั่งตะวันออก30ปีฝั่งตะวันตกชีวิตคนเรามมมีีขึ้น้นลงไดเสอ ได้ลูกสภัยดีๆอย่างเจ้ามันเนี่ยถือเป็นบุญเก่าของตระกูลโจเราจริงๆหนิวซูเฟินยิ่งมองหลิวเคอเคอก็ยิ่งพึงพอใจอีกฝ่ายช่างรู้ความไม่เสียงเงินสักหยวนก็ยอมแต่งเข้ามาเลยส่วนโจชุนหงในใจยังคงพัววงถึงนาฬิกาข้อมือของนางไม่รู้ว่าพี่สภัยคนใหม่จะทําตามสัญญาเมื่อไหร่โจเจียย้ยยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเนิ่นนานจนวิญญาณแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนกระทั่งหลิวเคอเคอรเรียกชื่อเขาเขาถึงเพิ่งรู้สึกตัวหือมีอะไรเหรอ ที่งนี้พวกเราจะกินอะไรกันดีคะในบ้านมีอะไรก็กินอันนั้นแหละค่ะโจเจี้ยนเย่ยบอกไม่ถูกว่าในใจรู้สึกอย่างไรเขาเพียงแต่รู้สึกว่าหลีชิงพิงในวันนี้ดูเหมือนจะสวยขึ้นมากหลีชิงพิงยุ่งวุ่นวายจนแทบไม่ได้พักตลอดทั้งวันส่วนหลีหว่านนั้นพอกับถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนหลับปุ๋ยผู้เฒ่าทั้งสองของตระกูลเจิง้งหลังจากรับรองญาสนิทมิตรสหายเสร็จแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่าเช่นกัน เวลานี้จึงเหลือเพียงห้องของพวกเจิ้งเซาเหิงและห้องของหลีชิงผิงที่ยังเปิดไฟอยู่ที่ใหญ่ที่ไม่เห็นท่าทางลำพองใจของนางผู้หญิงคนนั้นวันนี้หรอกพี่ว่าต่อไปนางจะรังแกพวกเราไหมเจิงเ้งเซาซิงแทน้องไก่ที่หิ้วกลับมาจากร้านอาหารจนปากมันแวบเอ่ยเสียงอุ้มีหน้าละอ้าอาจถึงชอบพอนางนัง่นแต่งตัวขึ้นมาก็สวยจริงๆนั่นแหละแล้วแกไม่รู้หรอว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมน่าเป็นยังไงเขาว่ากันว่าผู้หญิงยิ่งสวยใจยิ่งอมหิดเจิ้งเซาหยางแค่นเสียงหือพลางเบ้ปาก อาอาของพวกเรานะ่ยสายตาต่ํำอ้าวงั้นก็แย่ดิเจิ้งเซาสิงหน้าเสียทันทีทําท่าเหมือนจะร้องไห้ดูถ้าวันนี้จะเป็นวันดีวันสุดท้ายของพวกเราแล้วละ่ะแกงโง่หรือเปล่าถ้านังนั่นรังแกเราเราจะนิ่งเฉยไม่ตอบโต้เลยหรือไงเจิ้งเซาหยัง่งนิ้วคอหัวเจิ้งเซาสิงดังปึกบือ้อต่อหน้าคุณปู่คุณย่ากับอาอานังนั่นคงไม่กล้ารังแกเราตรงตรงห ร, รอกคงจะแส้ทําเป็นคนดีไปก่อนนั่นแหละพวกแกสองคนพูดมากไปหรือเปล่า เจ้งเศร้าเหิงขมวดคิ้วอย่างรำคาญ ร, รีบนอนได้แล้วที่ใหญ่พี่ต้องคิดหาวิธีจัดการนางในะอยาให้หนางสองแม่ลูกนั่นได้ใจเกินไปถ้าไม่อยากนอนก็ออกไปข้างนอกน้ำเสียงของเจ้างเศร้าเหงแฝงไปได้วยความโกรธทั้งสองคนจึงไม่กล้าพูดจะเลเอะ อ, อีกรีบมุดหัวนอนทันทีเจ้างเศร้าหงมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างใช้ความคิดก่อนจะแค่นเสียงเฮืออย่างไม่แยแสเขาถือคติเสมอว่าหากใครไม่มารังแกเขาเข า, ขาก็จะไม่รังแกใครก่อน หากผู้หญิงคนนั้นกับลูกของนางอยู่อย่างสงบเสงเเหน่งในบ้านหลังนี้เขาก็จะไม่ทําอะไรลีชิงผิงสวมรองเท้าส้นสูงยืนมาทั้งวันจนขาทั้งสองข้างชาหนื่บไร้ความรู้สึกนางลองนวดขาตัวเองดูเพอนหน้าเห็นเจิ้งอวิ๋นฉงเดินเข้ามาในห้องก็รีบวางขาลงทันทีเด็กๆนอนกันหมดแล้วหรอคะอืมเจิ้งวิ๋นฉงเห็นห้องเด็กๆปิดไฟแล้วตอนเดินผ่านมาคิดว่าคงหลับกันหมดแล้ว วันนี้หลีชิงผิงสวมชุดกี่เพ้าสีแดงดูสวยงามมากเจิ้งอวินฉงจึงถือโอกาสนี้มองนางให้เต็มตาอาจเป็นเพราะสายตาของชายหนุ่มร้อนแรงเกินไปหลีชิงผิงจึงรู้สึกขัดเขินจนต้องก้มหน้าลงไม่มีอะไรหรอคะเปล่าครับแค่รู้สึกว่าวันนี้คุณสวยเป็นพิเศษเจิ้งอวินฉงพูดจบก็รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยเหมาะสมนักจึงเสริมไปอีกประโยคจริงๆปกติคุณก็สวยอยู่แล้วแต่ชุดวันนี้ส่งเสริมคุณมากจริงๆค่ะ ลีชิงพิงไม่เคยถูกใครชมว่าสวยมาก่อนวันนี้ถูกชมไปหลายครั้งนางไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่าตอนนี้หน้าตัวเองต้องแดงก่ำและร้อนเผาแน่ๆนเจ้งางวิญชงเดินไปที่ข้างเตียงนั่งลงข้างๆลีชิงพิงแผ่นหลังของเขาดูเกรงเล็กน้อยชิงพิงตอไปผมจะดูแลคุณให้ดีรวมถึงเสียหวานด้วยจะไม่ยอมให้พวกคุณแม่ลูกต้องลำบากใจฉันทราคข้คุณผู้ประโยคนี้มาหลายรอบแล้วนะลีชิงพิงยกยิ้มมุมปากดวงตาที่มองชายหนุ่มทอประกายความสุขฉันเชื่อใจคุณคะ่ะ ลูกกระเดือกของเจิ้งอวิ๋นชงขยับขึ้นลองอย่างประหม่าเหมือนนึกอะไรขึ้นได้เขาจึงลุกขึ้นไปหยิบกล่องไม้จากใต้เตียงออกมาแล้วส่งให้หลีชิงพิงอย่างเป็นทางการนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดของผมต่อไปผมขอมอบให้คุณเป็นคนดูแลหลีชิงพิงเปิดออกดูในนั้นมีธนบัตรย่อยอยู่ไม่กี่ใบที่เหลือเป็นสมุดบัญชีเงินฝากเออเงินพวกนี้คุณเก็บไว้เองเถอะข้าฉันรับไว้ไม่ได้ ลำพังเงินสองพันหยวนในมือหลีชิงพิงยังรู้สึกประมานับภาษาอะไรกับที่เจ้งางวินชงหอบเงินเก็บตลอดหลายปีจํานวนห้าพันหยวนมาประเคนให้ทั้งหมดหลีชิงพิงสายหน้าปฏิเสธเงินนี้คุณเก็บไว้ใช้เธอเอาไว้ให้เด็กๆซื้อบ้านแต่งเมียในอนาคตเรื่องแต่งเมียของพวกเขาในฐานะอาผมควรจะช่วยส่วนหนึ่งก็จริงแต่ส่วนใหญ่พวกเขาต้องพยายามด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นต่อให้ผมช่วยแต่งเมียให้แต่ถ้าพวกเขาไม่มีความสามารถเลี้ยงครอบครัวได้มันก็เปล่าประโยชน์